ในขาวถาที่สามสิบหกหน้าสองร้อยสามสิบได้ยินว่าพระเจ้ากรุงพาราสีพระองค์หนึ่งทรงกระทาประทัดสินพนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมัยนี้เขาเรียกอะไรนะกับแบบอะไรนะวั น, นเขาเรียกวสวนสนามหรืออะไรอะ่ะที่เรียกว่ามาตรวจกองพลตรวจอะไรทั้งหมดอะ่ะวันนั้นก็จัด เ, เรียกว่าอิสริยยศอิสริ ย, ยสมบัติกองทัพทัพช้างทัพมา้าทัพรถโอ้เอามารวมกัน เพื่อที่อะไรนะเพื่อที่จะพระราชาก็จะได้ดูอิสระยศของตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีหัวใจหมุนไปแลว้วนั่นนะแก้ว่าใจนี่หมุนเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรากายของเท้าถือแสดงว่าพระราชารูปนี้พระเจ้าพระองค์นี้รูปหล่อมากเลยนะใครเห็นใจไม่ปกติหมดเลยว่างั้นใจไม่ปกติใจหมุนไปหมดเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรากายพระราชารูปหลอ่อว่างั้น เพราะฉะนั้นคนก็เลยไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทั้งสองข้างยังกลับมาเง็นหน้าดูพระราชาใครจะโบยจะตีขอให้ได้ดูพระราชาก่อนเถอะว่ากันตามปกติแล้วเขาบอกว่าชาวโลกไม่อิ่มในการดูพระพุทธเจ้าไม่อิ่มในการดูพระจันทร์เพนแล้วก็ไม่อิ่มดูทะเลทะเลนี่ก็ดูไม่อิ่มและไม่อิ่มในการดูพระราชาคำว่ากั้นปกตินะพูดถึงชาวโลกโดยปกติอยากเห็นใครบ้างอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากดูพระจันทร์ ในวันเพนอยากดูทะเลแล้วก็อยากดูพระราชาครับมันโอ้ยอยากได้เข้าเฝ้าเนี่ยนะไปร้อนอดทนเงือบทุ่มขนาดไหนก็ทนได้ครับมันอย่างคนที่ไปดูทะเลเนี่ยนะโอ้ยชาวเขาชาวเนือเนี่ยชอบดูทะเลกันนักครับมันบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยลูกลูกปิดเทอมจะไปไหนกันบอกไปดูทะเลมานันนะนะขับรถจากเชียงรายไปเที่ยวภาคใต้ไปดูทะเลอืขยันจริงๆริอันนี้ตอนมาพูดถึงตอนนี้ก็เหมือนกันว่าพระราชาเนี่ยนะ เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ดูของหมู่มหาชนทั้งหลายในขณะนั้นพริยาของกุดุมพีคนหนึ่งขึ้นปราศาส์ชั้นบนเปิดหน้าต่างยืนแเยืนแลดูอยู่พระราชาพอเห็นนางเท่านั้นแหละพระราชาก็ใจปั่นป่วนนะคนอื่นดูถ้าปั่นป่วนหมดตัวเองก็ดูคนอื่นแล้วปั่นป่วนบ้างก็เลยมีพระราชาฤทยัยปริพัฒปฏิพัฒแล้วว่าหลงรักอย่างแรงก็เลยตรัส ก, กับอมัมมัดว่าดูกรพระนาย เจ้าจงรู้ก่อนว่าสตรีนี่มีสามีหรือยังหรือยังไม่มีสามีไปดูซิมีผัวหรือยังอาหมาดก็ไปดูกราบทูลว่ามีสามีแล้วว่าเจ้าข้นครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าเอ๊ะกสตรีของเรามีเราเนี่ยมีสตรีนักฟ้อนตั้งสองหม น, นางอาพี่รมเราคนเดียวนะไอสองหมื่นคนเนี่ยมาช่วยให้เรามีความสุขคนเดียวมือนกับนางเทพอับสรบัดนี้เราไม่ยินดีด้วยนางเหล่านั้นตั้งสองหมื่นกลับมาเกิดตันหาในเมียของคนอื่น โอ้ยมันทำไมมันนึกชอบเมียคนอื่นไปได้ตันหานี่นะมันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันฉุดเราไปนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพระราชาเนี่ยสามารถใช้อํานาจแล้วก็แกล้งฆ่าสามีแล้วก็เอาเมียเข้ามาเข้าวังได้ะอะไรยอโดยเฉพาะกษัตริย์โบราณเนี่ยนะสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้บอกโอ้ฉุดเราตกนรกแน่นอนนะ น, นะแม้ตั้งสองหมื่นคนก็ไม่พอใจไปรัดเมียคนอื่นได้ยังไงเนี่ยก็เลยเห็นโทษของตันหาบุบ สละ ร, ะราชาสมบัติเอาเถอะเราจะข่มตันหานั้นสละราชาสมบัติออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าไอไอความที่สะสมบุญกุศลมาดีเนี่ยนะชอบพระยาคนอื่นเท่านั้นแล้วก็บวชได้แล้วเนี่ยนะแค่ว่าตันหาเกิดยังเป็นอุปนิสัยให้บวชคือคนดีเนี่ยนะอะไรนิดๆหน่อยๆก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลได้หมดละ แต่ถ้าคนเลวเนี่ยนะโอ้ได้โอกาสลใช่ไได้โอกาสที่จะทำชั่วคนดีทั้งหลายเนี่ยนะจะได้เหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้น้อ ย, แ ม, อยแม้นิดหน่อยใบไม้ร่วงหล่นมีหน่อไม้มีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรนะมีตุ้มอ่มีพวกกำไรมือพวกผมขนเล็บมีคนแก่คนตายเห็นลูกเห็นลานบรรลุได้หมดอะขอให้มันเจริญให้มันเพียงพอเถอเนาะเนี่ยต้องเจริญให้เพียงพออะ นั่นก็เลยออกบวชเจริญวิปัสสนาเป็นพระประเจคพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคาถาว่าตันหักขยังปัทยังอัปปมัตโตเป็นต้นบุคคลผู้ปรารถนาความสิ้นตัณหาถ้าต้องการอรหั ต, ตผลเป็นที่สิ้นตัณหาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เป็นคนบ้าคนใบ้แต่ก็ไม่ใช่แบบอะไรนะไม่ประมาทก็ไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าด้วยโง่ด้วยก็ไม่ใช่นะมีการสดัตย์เรียกว่าเป็นพวกมีพหูสูตรเนี่ยนะ สุตวาก็คือมีผู้สูตรสติมีสติสติมาก็คือมีสติมีธรรมะอันกําหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงคือแน่นอนมีความเพียรพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนโนแร้ตรงนี้ท่านบอกว่าตันหักขยังก็คือที่เรียกว่าผู้ปรารถนาะความสิ้นตันหาคือพระนิพพ า, านเะนี่ยนะตันหักขยังธรรมะเป็นที่สิ้นตันหานิพพานนี่ก็ตันหักขยะโทสักขยะโมหักขยะ มานะคยะทิฏฐิคยะแล้วแต่จะเรียกว่าทำเป็นที่สิ้นราคะโทสะโ ม, มหะมานะทิฐิเป็นต้นเรียกว่าพระนิพพานทางนั้นหรือความไม่เป็นไปแห่งตันหาที่มีโทษอันตนเห็นแล้วอย่างนั้นนั่นเองอัปปมัตโตไม่ประมาทแปลว่าอะไรแปลว่าเจริญกุศลติดต่อเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ประมาทบทว่าอเนละอเนละูโคเนนะ ไม่เป็นคนบ้าน้ำลายก็งนันเลยวุ้ยคนบ้าน้ำลายไม่ศึกษาอยู่แล้วกันเลยบ้านน้ำลายเป็นยังไงแปล ว, ว่านั่งเมื่อไหรก็น้ำลายไหล ย, ยื่ยิ้มอะไรเงั้ยนะะยิ้มด้วยน้ำลายไหล ย, ยื่ตกแม่แม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบแต่เป็นบัณฑิตคือต้องฉลาดเนี่ยนะคือพูดแบบอะไรนะมันตรงกันข้ามแบบสุดๆเลยว่างั้นแนตะ่ตรงกันข้ามกับคนกลุ่มนี้นะสุตะอันให้ถึงหิตสุขหิตาก็คือเกื้อกูลเนี่ยนะ ของบุคคลนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสุดตวาคือการฟังที่นำมาซึ่งความเกื้อกูลเขาบอกว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เสมอพระนิพพานไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะเกื้อกูลเสมออริยมรรคไม่มีสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความสุขเหมือนสามัญญผลทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นสุตะคือการฟังเหล่าใดที่เป็นปัจจัยให้เจริญอริยมรรคของบุคคลนั้นมีอยู่บุคคลนั้นชื่อว่าสุดตวะผู้มีการสดับเนี่ยนะ คำว่าฟังเนี่ยหมายถึงว่าฟังเพื่อจะเจริญอริยมรรคหรืออีกในหนึ่งเราผู้ประกอบด้วยอาคมเรียกว่าอาคมอาคมมนคลังมนคลังก็แปลว่ามนที่จะทําให้เจริญอริยมรรคได้สติมามีสติเนี่ยนะก็สติมาใช่ไหมสติไม่ใ ช, ไใช่ไม่ได้เอามาด้วยนะเอาสติมาด้วยใช่ไหมใช่มาเนี่แปลว่าผู้มีสตินะโดยสัพแลว้วผู้มีสติแปลว่าระลึกถึงกิจทั้งหลายที่ทําไม้นานแล้วเนี่ยนะ สติอสัมปอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกียพิชาโทมารสังในสติประธานกระสอบนี้อันเดียวกันบทว่าสังขารตธรรมโมมีธรรมะอันกําหนดรู้แล้วด้วยการพิจารณาธรรมนิยโตแน่นอนแน่นอนด้วยอริยมรรเนี่ยนะประธานวาถึงพร้อมแล้วด้วยวิริยะคือสัมมปทาน มีคําอธิบายประกอบว่าบุคคลผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมทั้งหลายมีความไม่ประมาทเป็นต้นเหล่านั้นมีความเพียรด้วยความเพียรอันให้ถึงอริยมรรคคือความเที่ยงเป็นผู้เที่ยงโดยถึงความเที่ยงด้วยความเพียนรยยยยยยยนั้นเแปล ว, ว่าเพียรเพื่ออริยมรรคนะจริงๆอยู่จริงอยู่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่ก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้ถึงอริยมรรคที่แน่นอนเนี่ยนะอริยมรรคนม่แปลว่าความแน่นอน จากนั้นมีธรรมะอันกําหนดรู้แล้วด้วยการบรรลุอรหัตนนกําหนดรอบรู้นะถ้ากําหนดรอบรู้เสร็จก็เป็นพระอรหันต์ก็พระอรหันต์เรียกว่าผู้มีธรรมะอันกําหนดรู้แล้วบางที่ก็บอกว่าสังขารธรรมในสังขาตะสังขยาสังขาบางทีก็แปลว่าถึงการนับนะพระอรหันต์นี่เป็นผู้นับธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนับอะไรนับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือเอาสิ่งเราเนี่ยมานับจนสําเร็จแล้วพระอรหันต์คือผู้มีธรรมะ อันนับเสร็จแล้วในไรว่ากันพวกที่เหลือยังไม่ได้เริ่มนับเลยนะเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าผ้าหันทั้งหลายเหล่าใดผู้มีธรรมะอันตนกําหนดนับได้แล้วตรงนี้แปลว่ากําหนดนับได้แล้วและพระเสขะและปุตุชนเหล่าใดมีอยู่ในโลกอันนี้ยกข้อความมาจากอชิตะมานวากะปัญหาเนี่ยนะอชิตะมานวากะปัญหาเดียวอยู่ในเล่มนี้นี่อยู่ในจุลานิเทศเกณฑ์โสนิวโตโลโกเนี่ยนะที่ คือคืออธิตามานพเนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะอะไรอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกขอพระองค์จงตรัสบอกอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกอันอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีเรากล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเสร็จแล้วก็อธิตะามานพก็ถามต่อไปอว่า กระแสทั้งหลายในอายตนะทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์ตรัสบอกธรรมะเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นได้พระองค์ก็ตอบว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้เสร็จแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จะนิรทุกปัญญาสตินามรูปย่อมดับไปในที่ไหน ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอบรองตรัดบอกความนั้นแก่ข้าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนอนาะชิตะท่านได้ถามปัญหาข้อใดแล้วกับเราเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปดับไปไม่มีส่วนเรือนะที่ใดนามรูปก็ดับณที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณใช่แล้วก็ฟังแล้วก็ไม่บรรลุพลาดหันก็ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่า พระอรหันตขีนาศผู้มีสังขารตธรรมก็คือธรรมะอนับได้แล้วและพระเสขบุคคลคือพระโสดาบันเป็นต้นเหล่าใดในศาสนานี้มีมากข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาได้โปรดตรัสบอกความําเนินหรือข้อปฏิบัติของพระขีนาศคือพระอรหันเหล่านั้นและพระเสขเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิด พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอาชีตตาภิกษุไม่พึงติดใจในการมทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบฟังจบก็บรรลุเป็นผ้าอรหรันท่านบรรลุไปแล้วนะของเราก็ฟังต่อแล้วกันมันในจุลนิเทศอธิบายที่อธิบายคาถาในหน้าสองสาสิบเอที่ว่า บุคคลผู้ปรารถนาะความสิ้นตัณหาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เป็นคนบ้าคนใบ้มีการสดับมีสติมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงด้วยอริยมรตมีความเพียรพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรตนี่นนะอธิบายว่าตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือรูปปัตนหาสัทธาตัณหาคันทะราสะโพทะพระธรรมะตัณหาก็คือตัณหาในทวารอารมณ์กนั่นแหละ ปรารถนาความสิ้นตัณหาก็คือปรารถนาจํานงประสงค์ซึ่งความสิ้นราคะประสงค์ความสิ้นโทสะสิ้นโมหะความสิ้นคติห้านะพ้นจากนรกเปรตสุรกายเดรชนมนุษย์เทวดาสิ้นอุบัติสิ้นปฏิสนธิสิ้นภพสามสิ้นสังสาระคือลำดับไหลเวียนแห่งขันอายตนะธาตุปาถนาความสิ้นวัตตะเรียกว่าปรารถนาความสิ้นตัณหา ไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทก็คือหมายความว่าเจริญกุศลโดยเอื้อเฟื้อธทรำรติดต่อไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคําว่าไม่โง่เขลาไม่โง่เขลาก็คือพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสเรียกว่าไม่โง่เขลา มีสุตะพระปเจากาพพุทธเจ้านั้นเป็นพหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สะดับมามากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในถ้มกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเรียกว่าผู้เป็นปหูสูตรก็หมายว่า จำและจำด้วยคล่องตากขึ้นใจด้วยเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็จําได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่ประกาศศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเพียบพร้อมเรียกว่าเป็นพหูสูตรไม่ใช่จํามาเป็นแค่อะไรนะจำได้แค่ประโยคเดียวข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้ข้างหลังเป็นยังไงก็ไม่รู้ตรงกันข้ามเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ก็ให้จําจให้มันครบสิเนาะก็จําขาดนะก็ได้และจำได้ตั้งหน่อยหนึ่งแล้วก็จําให้มันเยอะกว่านั้นจะได้ครบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด เป็นผู้มีสติคือพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติรอบคอบอย่างยิ่งระลึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่งโง่เขลามีสุตะมีสติคําว่าปัญญาปัญญาก็คือญาณปัญญาความรู้ชัดไม่หลงเลือกเฟ้นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสังขารตธรรมสังขารตเนี่ยนะหรือการนับนะธรรมที่นับอันแล้วเป็นชื่อของปัญญา คำว่ามีธรรมะอันนับพร้อมแล้วคือพระปะเจกับพุทธเจ้านั้นมีธรรมะอันนับพร้อมแล้วมีธรรมะอนันรู้แล้วมีธรรมะอันเทียบเคียงแล้วมีธรรมะอันพิจารณาแล้วมีธรรมะอันเห็นแจ้งแล้วมียานแจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาโอแต่คำว่านั่นนะอธิบายยาวเลยเนะี่ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาติตรศรุปว่าปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเพราะเหตุเกิดความดับอัศา ธ, าธาอาทีนวะนิสรณะของภาษามหาภูตรูป4ี่ภาษ า, ายตนะ6อุปาทานขันห้าแล้วก็ น, นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ออาสวะเหตุเกิดความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ อาสะวะตลอดสุดท้ายยังกินเจสมุทัยทำ ม, มังเรียกว่ามีธรรมะอันนับได้แล้วอันนับพร้อมแล้วก็คือแทงตลอดอริยสัจอีกอย่างหนึ่งพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นพิจารณาขันเสร็จแล้วพิจารณาธาตุแล้วพิจารณาอายตนะแล้วพิจารณาคติห้าแล้วพิจารณาอุบัติเสร็จแล้วพิจารณาปฏิสนธิพิจารณาพบพิจารณาสังขารพิจารณาวัตตะแล้ว อีกอย่างหนึ่งพระปเจกัพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่ในขันเป็นที่สุดสรีระสุดท้ายใช่ไหมขันอันเป็นที่สุดธาตุสุดท้ายอายตนะสุดท้ายคติสุดท้ายอุบัติสุดท้ายปฏิสนธิสุดท้ายพบสุดท้ายพบเป็นที่สุดนะสังสาระเป็นที่สุดวัตตะเป็นที่สุดสังขารเป็นที่สุดพบเป็นที่สุดพระปเจกัพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด อธิบายว่าพระขีณาศพใดมีพบเป็นที่สุดมีอัตภาพมีสงสารคือชาติชรามรณะครั้งหลังสุดเรียกว่าตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเน่ยพระขีณาศพนั้นไม่มีในพบใหม่ไม่อุบัติในพบใหม่เรียกว่าผู้มีธรรมะอนนับพร้อมแล้วนิยโตแน่นอนธรรมะที่แน่นอนเนี่ยนะเที่ยงเที่ยงตัวเนี้ยเที่ยงก็แปลว่าแน่นอนแน่นอนนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคสีอริยมรรคสี่เรียกว่าธรรมะอนแน่นอน พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยอริยมรรคสี่ชื่อว่ามีธรรมะอันแน่นอนถึงถึงพร้อมถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งนิยามด้วยอริยมรรคทั้งหลายฉะนั้นท่านเรียกว่าผู้มีธรรมะอันแน่นอนคําว่าประทานมีความเพียรความเพียรการปราลบความเพียรการก้าวหน้าความบากบัน่นความหมันความเป็นผู้หมันเรี่ยวแรงพยายามแห่งจิตบากบั่นไม่ย่อหย่อนเป็นผู้ไม่ทอดทุระความเป็นผู้ไม่ทอดทุระ ประคองธุระวิริยะวิริยินศีวิรยิรยะภะละสัมมาวายามะท่านเรียกว่าประทานประทานคือผู้มีความเพียรเนี่ยนะพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นผู้เข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยความเพียร น, นี้เพราะเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีความเพียรมีธรรมะอันนับพร้อมแล้วมีธรรมะอันแน่นนอนด้วยอริยมรรค มีความเพียรในสัมมาประธานผู้เดียวเที่ยวไปดุดหน่อแรกนั่นนะอันนี้ก็เป็นคาถาของพระประเจกพระพุทธเจ้าคาถาที่สามสิบหกนั่นนะนะ